นาคที่เห็นอยู่นี่นะไม่ใช่คนไทยนะคนจีนนะผู้หญิงก็บวชเหมือนกันนะเรียกว่าเป็นการบวชหมูเลยอญาติโยมเห็นแล้วก็สงสัยนะเออทำไมคนจีนมาบวชนะที่จริงถามไม่ถูกนะต้องถามว่าแล้วทําไมเราไม่บวชทําไมคนไทยไม่บวชคนจีนบวชนี่แปลกแล้วนะแต่ที่แปลกกว่าคือคนไทยไม่บวชอันนี้แปลกกว่า แต่คนไม่ค่อยถามนะเวลาเห็นฝรั่งมาบวชเนี่ยก็ถามเออทำไมฝรั่งมาบวชแต่คนถามนี่ไม่ได้ถามไม่ได้เกิดความสงสมัยเออทาไมเราไม่บวชล่ะในเมื่อเราเป็นคนไทยนะฝรั่งมาบวชนี่เป็นเรื่องแปลกก็จริงแต่การที่คนไทยไม่บวชนี่แปลกกว่านะเพราะการที่เขามาบวชนี่ก็เพราะเห็นว่าพุทธศาสนานี่ไม่คุณค่าการ อของเพศปรมจันหรือว่าการถือสมนับเพศนะมันมีความหมายแม้จะมีเวลาเพียงชั่วสั้นๆ น, นะสองสามอาทิตย์นะก็ไม่ละเลยโอกาสนี้ก็เดินทางไกลนะมาเมืองไทยก็เพื่อมาบวชโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไม่ใช่บวชเพื่อทำตามประเพณีนะเพราะเขาไม่มีแบบประเพณี เรื่องบวชอยู่แล้วก็ามาเพื่อต้องการปฏิบัติธรรมนะต้องการเจริญสติโดยตรงหลายคนก็มีงานเยอะอภิชอบธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็ใช้เวลาใช้เงินทองในการมาบวชนี่ไม่ใช่น้อยค่าเครื่องบินก็เป็นหมื่นแลวเขายังอุตส่าห์นะขวนขวายนะมาถึงนี่แต่คนไทยเนี่ยนะ โอกาสบวชนี่ก็ง่ายไม่ต้องใช้เงินใช้ทองแต่ก็ไม่ค่อยคิดจะบวชกันเท่าไหร่ตอเมื่อมีเหตุนะถึงค่อยตัดสินใจบวชเช่นพ่อแม่เสียชีวิตหรือว่าล้มป่วยบางทีอ่คู่ครองเช่นเมียตายถึงค่อยตัดสินใจบวชหรือมิฉะนั้นก็เพราะตัวเองป่วยหนักเป็นมะเร็ง หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องรอให้ในหลวงเสด็จสวรรโคตก่อนนะถึงค่อยมาบวชจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรต้องรอนะว่าต้องรอให้ผู้มีพระคุณบุปการดีเสียชีวิตก่อนถึงค่อยมาบวชหามีโอกาสเมื่อไหร่นะก็ควรจะมาบวชหรือปฏิบัติได้เลยถ้าไปรอให้มีเหตุซะก่อนนะอันนี้มันก็อาศยเกินไปและที่จริงแล้วเนี่ย หเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับคนที่เรารักเนี่ยสักวันนึง ก, ก็ต้องเกิด ข, ขึ้นกับเราทำไมต้องรอให้เราป่วยก่อนทำไมลดต้องรอให้เราเป็นมะเร็งก่อนนะถึงค่อยหันหน้ามาหาธรรมะหันหน้ามาหาศาสนาคนไทยนี่โชคดีนะมีศาสน า, าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมมีวัดอยู่ใกล้บ้าน แต่เราก็ไม่รู้จักใช้ประโยชน์คนฝรั่งคนจีนนี่เขงงนะเออทำไมคนไทยไม่ค่อยมาปฏิบัติธรรมนี่เขาสาหาเวลามาอยู่สถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่ไกลแค่ไหนครูบาอาจารย์อยู่ไกลแค่ไหนเขาก็มาของเรานี่อยู่ใกล้ๆนะเดินทางแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงแต่เราก็ละโชคนี้ไป อันนี้ก็ถึงเรียกว่าเป็นเรื่องแปลกเพราะฉะนั้นเวลาเจอคนจีนคนฝรั่งนะอเมริกันยุโรปเขามาบวชหรือมาปฏิบัติธรรมอย่าถามว่าทำไมเขามาบวชทำไมเขามาปฏิบัติธรรมต้องถามใหม่ว่าทำไมเราไม่บวชทำไมเราไม่ปฏิบัติธรรมอาจจะมีนะที่บวชมาแล้วนะแต่ก็บวชตามประเพณี แล้วก็ไม่ได้บวชเพื่อจะลดละขัดเกลาร์้าคนเราเนี่ยถ้ า, าว่าเราถามไม่ถูกเนี่ยบางทีมันเสียประโยชน์นะ <c oughs> หรือบางทีเกิดโทษ ด, ด้วยซ้ำเช่น <c oughs> หลายคนมาถามว่าทำไมเขาไม่เข้าใจเราทำไมเขาไม่เข้าใจเราทาไมเขาดูถูกเราต่อว่าเรา ถ้าคนใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยถามเออแล้วเราเข้าใจเขาหรือเปล่ปเานะเราเรียกต้องแต่ว่าเขาไม่เข้าใจเรานะแต่เราไม่ค่อยอพยายามเข้าใจเขามากเท่าไหร่เวลาบ่นว่าทำไเขาดูถูกเราทำไมเขาต่อว่าเราจะไม่ถามว่าทำไมเราต้องโกรธนะที่เขาทำอย่างนั้นกับเราด้วยอลองถามสัก บ, บางเร่อเออ ทำไมเราต้องโกรธเวลาเขาว่าเราไม่ใช่ว่าไม่สมควรโกรธนะแต่ว่าควรถามควรรู้ว่าเ็าโกรธเพราะอะไรโกรธเพราะรู้สึกเสียหน้านะหรือว่ารู้สึกว่าตัวกูมันถูกกระแทกแล้วนะดีไหมเออถ้าตัวกูมันถูกกระแทกนะเพราะว่าถ้าปล่อยให้ตัวกูนี่มันเหิมเกรมมันก็มาครองจีคลองใจนะ บงการจิตใจบงการชีวิตเราให้เป็นทุกข์ถ้าปล่อยให้มันมีอำนาจบ้างปล่อยมีอำนาจมากเกินไปนี่เราก็แย่นะมันโดนเลขงานบ้างก็ดีเหมือนกันจะได้เข็ดหล่ะถ้าลองถามไม่ถูกถามไม่เป็นนะถ้าถามไม่ถูกถามไม่เป็นนี่แล้วมันทุกข์นะเวลารถติดโอ้ยทำไมไฟมันไฟแดงมันนานอย่างงี้ นี่ไฟแดงนี่ต้องร2อยี่สิบวินาทีแล้วจริงจริงน้อยไปนะบางทีไฟแดงนี่ห้านาทีสิบนาทีก็มีจะไม่ถามเออแล้วทำไมหงุดหงิดทำไมเราต้องงุดหงิดตัวเอนะเวลาไฟแดงมันค้างนานลองถามใจตัวเองแล้วก็จะได้พบคำตอบอเป็นที่ใจเราเป็นที่ใจเรา เราปมัวคิดแต่ว่า เ, เดี๋ยวส่งลูกไม่ทันเดี๋ยวไปประชุมสายเดี๋ยวตกเครื่องบินนะ่ะต้องกลับมาดูใจมันก็จะเห็นเนาะไอ้ที่สายหต้ที่ทุกเนี่มันไม่ใช่เพราะรถติดหรือไฟแดงนานแต่เป็นเพราะใจของเราวางใจไม่ถูกนะใจไม่อยู่กับปัจจุบันถ้าเราไปมัวแต่บน่นว่าทำไมรถติดนานทำไมไฟมันแดงเนี่ย เราก็จะไปโทษเราก็จะไปหาเหตุสิ่งที่อยู่นอกตัวว่า น, นี่คือปัญหานี่คือสาเหตุก็ไปต่อว่าไลตัวการจริงๆก็ลอยนวล น, นะมันก็ไม่ได้รับการแก้ไขนะคือใจของเราถามให้ถูกถามให้เป็นนะอันนี้มันก็จะช่วยทำให้นะเราเห็นทางออกจากความทุกข์ได้หรือว่า ทำาไม่เราเห็นว่าเออที่เราทำอยู่เป็นอยู่นี่มันยังไม่ถูกต้องนะมันยังไม่ค่อยเข้าท่านะเราต้องปรับตัวปรับใจปรับพฤติกรรมใหม่ <c oughs> นะลองดูนะเวลาถามเนี่ยก็ถามให้เป็นอย่างคนจีนเข้ามาปฏิบัติเข้ามาบวชเนี่ยนอกจากเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกแล้วก็ามาดูว่าเออทำไมเขถึงทาอย่างนั้นแล้วทาไมเราไม่ทา อันนี้แหละที่ไม่ทำให้เราได้รู้ว่าเราควรจะทำอย่างไรอ่าแล้วก็เตรียมรับพรอิธิตังปฏิตังตุมหังคอยอิธผลที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วคีปาเมวะสมิชาตโตจงสำเร็จโดยฉาพรสาเพปูเรนตุสังกับปาขอความดำรีทั้งพวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยาธา เหมือนพระาจารย์นในวันเพนมณีโชติรโซยัยยาเหมือนแก้มณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพิติโยวิวัชันตูปานใจไรทั้งปวงจงบำราชไปสาภโรคโควิณาสาตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเจภาวะวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีติคาโยโกภวะ นั่นจงเป็นผู้มีความสู่มีอายุยืนอาภิวาทานาสิฤษณีจางุทาปจายโนจัตตารธรรมาวาทันที่อายุวันโนสุขังคาังต่างสี่ประการคืออายุวันณสุขหาพลาย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิพภาวาตุสัวพมังครัง ขอสาพรมงค์จงมีแก่ท่านราคนตุสาเทวตาขอหล่าเทวดาทั้งกวงจงรักษาท่านสาพาพุทธานุภาเวนาด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังขานุภาเวนาด้วยอานุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภาวนตุเต ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิน